เจราญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ส0บส18กสปดสบปดมิถุนายนพุทธศักราชสอง8ันห้าสสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อทำบุญทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว จิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจึงไม่เป็นสิ่งจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้ใฟสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายไม่ควรมองข้ามไปควรที่จะขวนขวายเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราเข้าวัดแล้วจิตใจของเราจะมีความ รู้สึกดีรู้สึกสบายเพราะว่าจิตใจของเราได้รับการดูแลรักษานั่นเองวัดนี้ก็เปรียบเหมือนกับโรงอาหารเวลาเรามาวัดแล้วจิตใจของเราก็เกิดความอิ่มเอิบใจเพราะเราได้ทำบุญทําทานเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเรามาวัดเราก็มีความรู้สึก ดีขึ้นเพราะว่าวัดก็เปรียบเหมือนกับโรงพยาบาลของจิตใจนั่นเองดังนั้นการเข้าวัดอยู่อย่างสม่สมําเสมอเพื่อทําสิ่งที่ดีที่งามตามกําลังแห่งศรัทธาความเชื่อของเราที่เราเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าทําดีได้ดีทำเชั่วได้ชื่อเราจึง มีความอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียรที่จะกระทำแต่ความดีที่จะละความชื่อทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป mm hmm. เพราะถ้าเราได้ปฏิบัติ mm hmm. ดังนี้แล้วความสุขความเจริญก็จะเป็นผลตามมา ความทุกข์ความหายนะความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะอยู่ไกลจากตัวเราไปนี่คือวิถีชีวิตของชาวพุทธเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็สร้างความภาคเพียรขึ้นมาพยานยาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ความภาคเพียร น, นั้นก็แบ่งไว้เป็นสีลักษณะด้วยกันคือ 1. ภาคเพียรทำความดีที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้น 2. รักษาความดีที่มีอยู่ในตัวเราแล้วไม่ให้หดหายไป 3. ภาคเพียร ชำระหรือละเว้นจากการกระทำความชั่วทำบาปทำกรรมทั้งหลายที่เรายังละไม่ได้ให้พยายามละเสียสให้รักษาป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือบาปกรรมที่เราได้ละที่เราได้ละไปแล้วนั้นหวนกลับคืนมาอีก น, นี่คือ ความภาคเพียรในทางของพ่อพุทธศาสนาข้อหนึ่งการรักษาการกระทําความดีที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้นก็คือถ้าเรายังไม่เคยทําบุญทําทานเราก็มาทําบุญทําทานกันถ้าเราทําบุญทําทานอาทิตย์ละครั้งเราก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้เรียกว่าเป็นการ เพิ่มความดีสร้างความดีที่เรายังไม่เคยมีอยู่ในตัวเราให้มีมากยิ่งขึ้นไป 2. อการรักษาความดีก็หมายถึงให้รักษาความดีงามที่เรามีอยู่ในตัวของเราแล้วอย่าให้มันหายไปเราเคยทำบุญทำทานอยู่มากน้อยเพียงไรเราก็ต้องพยายามทำบุญทำทานอย่างนั้นไป เราเคยไหว้พระสวดมนต์มากน้อยเพียงไรเราก็ต้องพยายามรักษาการบําเพ็ญนี้ต่อไปอย่าให้ขาดอย่าให้เว้นไปเป็นอันขาดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําบุญก็ทําบุญเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบร่มเย็ยนเป็นสุข จเจริญวิปัสนาทำจิตใจให้มีความรู้แจ้งเหตุจริงมีปัญญาไว้ป้องกันพิษภัยทั้งหลายที่จะเข้ามาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะรักษาไว้เราเคยปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรก็อย่าให้มันน้อยกว่าที่เราเคยปฏิบัติส่วนส่วนส่วนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัต ก็ควรที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเคยทําบุญก็ทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นเคยไหว้พระสวดมนต์ก็ให้สวดให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมก็พยายามปฏิบัติให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เรามีรายได้เท่าไหร่เราอยากจะได้รายได้มากกว่าที่เรามีอยู่เราก็ต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมทำงานให้มากขึ้นแล้วรายได้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปส่วนข้อที่สที่ท่านสอนให้ละบาปที่เรายังไม่ได้ละไว้ให้ละเสียเช่นถ้าเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ ก็พยายามละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเรายังมีประพฤติลักทรัพย์อยู่ก็พยายามละการลักทรัพย์ถ้าเรายังประพฤติผิดประเวณีอยู่ก็พยายามละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีถ้าเรายัง mm. พูดปดมดเทศอยู่ก็พยายามละเว้นจากการพูดปดมดเท็ ถ้าเรายังเสพสุรายามเมายังเกี่ยวข้องกับอบายามุกต่างๆก็พยายามละเว้นเสียนี่คือสิ่งที่เราจะต้องภาคภีร์พยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราให้มันเบาบางลงไปแล้วให้หมดไปในที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในตัวเราแล้ว มันจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราเหมือนกับมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเราเราต้องรีบกําจัดมันออกไปจากร่างกายไม่เช่นนั้นเดี๋ยวร่างกายของเราจะถูกมันทําลายถึงแก่ชีวิตได้ข้อที่สท่านสอนให้ป้องกันบาปความชั่วทั้งหลายที่เราได้ละแล้ว อย่าให้มันหุนกลับคืนขึ้นมาอีกถ้าเราเลิกสุรายาเมาได้แล้วก็อย่ากลับไปเสพอีกถ้าเราเลิกการเล่นการกระนันได้แล้วก็อย่ากลับไปเล่นอีกถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวณีพูดปดมดเทศได้ก็พยายามที่อย่าไปให้เรากลับไปกระทาในสิ่งเหล่านั้นอีก เราทำได้มากน้อยเพียงไรก็พยายามรักษาไว้เช่นเราเคยรักษาศีลได้กี่ข้อเราก็พยายามรักษาไปเราเคยรักษาศีลได้อาทินละกี่วันก็พยายามรักษาไปอย่าให้มันหดหายไปเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันหดหายไปแล้วทุกภัยต่างๆก็จะเป็นผลที่ตามมา ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายปรารถนากันเลยพวกเราทุกคนเกิดมาล้วนมีความปรารถนาที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้น ที่ท่านเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าความสุขความเจริญก็ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ดีล้วนเกิดจากการกระทาของพวกเราทั้งสิน้นคือการกระทาทางกายวาจาใจเรียกว่ากรรมนั่นเองกรรมแปลว่าการกระทาการกระทานี้ทำได้สามทางด้วยกันคือทางตาทางร่างกายทางวาจา และทางใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในกรรมทั้งสามนี้มีมโนกรรมคือการกระทําทางใจเป็นเจ้านายเป็นผู้สั่งการส่วนการกระทําทางวาจาทางกายนั้นเป็นลูกน้องเป็นบ่าวเพราะว่าถ้าไม่มีใจสั่งการแล้วก็จะพูดไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ เช่นยาติโยมวันนี้จะมาที่วัดใจก็ต้องคิดก่อนใจเป็นผู้ริเริ่มก่อนความคิดของใจนี้เรียกว่ามโนกรรมเมื่อคิดแล้วก็สั่งการออกมาทางวาจาและทางกายเช่นพูดคุยกับเพื่อนกับคนสนิทว่าพรุ่งนี้ไปวัดกันดีไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของ ก็ต้องใช้กายกรรมคือใช้ร่างกายของเรากระทำการงานต่างๆเช่นไปซื้อกับข้าวกับปลาข้าวของต่างๆมาถวายพระเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำทั้งสิ้นเรียกว่ามโนโกรรมวจีกรรมกายกรรมการกระทำทางใจทางวาจาและทางกายโดยต้องถือหลักสำคัญว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นเบาววาจาเป็นเบาวถ้าไม่มีใจสั่งการแล้วกายกระทาําทางวาจาและทางกายก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดังนั้นก็พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เรามีสติคอยดูการคิดความคิดของเราว่าเราคิดไปในทางไหนเพราะความคิดนั้นสามารถคิดไปได้สามทางด้วยกัน ทางที่หนึ่งเรียกว่าคิดไปในทางกุศลคิดไปในทางที่ดีที่งามทางที่สองเรียกว่าทิคิดไปในทางอกุศลคือคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามและทางที่สามเรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นกลางกางไม่ไม่ดีแต่ไม่ชั่วนี่คือความคิดทั้งสาม เมื่อคิดแล้วก็จะสั่งการไปสู่การกระทาทางกายและวาจาต่อไปถ้าไม่มีสติคอยเฝ้าดูอยู่ก็จะไม่รู้ว่ากำลังคิดไปในทางทิศทิศ ท, ทางไหนคิดไปในทิศทางไหนก็ปล่อยให้ไปแล้วก็กระทาไป ท, ทันทีแล้วแต่อารมณ์เช่นเวลาที่เรามีอารมณ์ขุนมัวจิตใจก็จะมีความคิดไปในทางอากุศล เช่นอยากจะด่าว่าผู้อื่นอยากจะไปทุบตีทำร้ายผู้อื่นถ้าเราไม่มีสติมันก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะว่าเราไม่มีเครื่องคอยเตือนบอกเรานั้นเองว่าการความคิดแบบนี้การพูดแบบนี้การกระทำแบบนี้นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติ รู้อยู่ว่าเรากำลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเรามีปัญญาคือเราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอาภุสนละถ้าเรามีปัญญาสามารถแยกแยะได้มีสติคอยรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังคิดอะไร เวลาที่เราจะคิดเรื่องที่เป็นอกุศลเราก็จะระ ง, งับมันได้ทันทีเพราะถ้ามีสติ <c oughs> แล้วมีปัญญาอยู่ในใจแล้วสามารถระ ง, งับความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายได้ง่ายด้วยเพราะว่าเมื่อมันยังอยู่ที่ใจนั้นมันเป็นเพียงแต่การเริ่มต้นเหมือนกับการจุดไฟด้วยไม่ขีดถ้าไฟมัน <c oughs> เกิดติดขึ้นมาด้วยไม้ขีดแล้วเรารู้ว่าถ้าปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆมันก็จะไหม้เผาบ้านเราได้ทั้งหลังเวลาที่มันเริ่มลุกขึ้นมาใหม่ๆเราเอาน้ำมาเทราดก็ไปเพียงขันสองขันมันก็ดับได้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้มันลุกลามจนกระทั่งมันเริ่มไหม้บ้านเราทั่วไปหมดเวลาจะไปดับไฟ ตอนนั้นก็ยากเช่นเดียวกับการกระทําของเราถ้ายังอยู่ในใจอยู่ยังยังดับมันง่ายแต่ถ้ามันหลุดออกมาทางกายทางวาจาแล้วมันจะหยุดยากแล้วยิ่งมีการตอบโต้กันไปยิ่งทำให้เหมือนกับเติมฟืนเติมไฟให้มากขึ้นไปอีก ทำให้ไฟจะมีกำลังเผาที่แรงขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเผาผานวอดวายพี่นาดไปหมดนี่คือการกระทำของพวกเราถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราจะสามารถควบคุมการกระทำของเราให้ไปในทิศทาง ที่เราทั้งหลายปรารถนากันได้คือไปในทิศทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญนั่นเองแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาแล้วปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอารมณ์มันก็จะพาเราไปตกนรกหลกไม่ทั้งๆที่เราก็ไม่อยากจะไปแต่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถแยกแยะได้ว่า การกระทำนั้นทาไปแล้วจะมีผลเสียหายอย่างไรเกิดขึ้นตามมาต่อไปเช่นข่าวข่าวทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังตามสื่อต่างๆเช่นตามวิทยุตามโทรทัศน์หรือตามหนังสือพิมพ์เรามักจะอ่านข่า ว, ข, าวข่าวที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่มีเรื่องของคนฆ่ากันตายมีเรื่องของการเบียดเบียนกัน มีเรื่องของคนต้องไปติดคุกติดตารางมีเรื่องของคนที่จะต้องทําร้ายชีวิตของตนเองนี่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางจิตคือคิดไปในทางอกุศลเมื่อคิดไปในทางอกุศลแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาไว้มาคอยควบคุมดูแล ระงับความคิดเหล่านั้นเมื่อไม่ระงับมันความคิดเหล่านั้นมันก็จะไหลออกมาสู่กายสู่วาจาต่อไปเมื่อได้มีการพูดมีการกระทำแล้วผลก็ต้องปรากฏตามมาเช่นคิดไปลักทรัพย์เมื่ออัยไปลักทรัพย์ถูกตารวจถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางเมื่อไปเสพสุรายาเมา แล้วไปมีการทะเลาะวิวาทกันมีการทุบตีกันก็มีการเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าไปขับรถในขณะที่มึนเมาก็จะเกิดประสบอุบัติเหตุถึงแก่พิกลพิการหรือเสียชีวิตไปได้คนอื่นที่ไม่รู้อิโนอิเนก็ต้องมาพลอยรับเข้ะกรรมของการกระทําของเราไปด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนั่นเองไม่เคยศึกษาไม่เคยร่ำเรียนไม่เคยเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมปล่อยให้คิดไปตามความคิดของตนแล้วก็เชื่อในความคิดของตนว่าเป็นความคิดที่ถูกที่ดีที่งามแต่เวลาเกิดผลเสียขึ้นมา ตอนนั้นแหละจะต้องเป็นผู้ที่รับผลอันนันไปต้องติดคุกติดตารางก็เพราะความคิดของเราพาไปต้องข่าตัวตายก็เพราะความคิดของเราพาไปนั่นเองเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาจิตใจของเราด้วยการสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น การสร้างสตินั้นก็คือให้ฝึกให้มีความรู้อยู่กับตัวอยู่เสมอเช่นไม่ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไร่ตรงไหนก็ให้เรารู้อยู่ตรงนั้นเราขณะ น, นี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้เรารู้อยู่ตรงนี้ให้รู้ว่าใจเราอยู่ตรงนี้อยู่กับการฟัง อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วสติของเราไม่บริบูรณ์ถ้าสติของเราบริบูรณ์เราต้องอยู่ที่นี่อยู่กับการฟังเช่นเดียวกับการกระทำอย่างอื่นเราก็ททำอะไรเช่นกำลังเขียนหนังสือก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเขียนหนังสือ เวลาอ่านหนังสือก็ให้มีสติรู้อยู่กับการอ่านหนังสือเวลารับประทานอาหารก็ให้มีสติอยู่กับการรับประทานอาหารไม่ใช่รับประทานไปก็คุยกันไปบางทีไม่รู้ว่ารับประทานอะไรเข้าไปในปากในท้องก็มีเพราะเผลออ่มือก็ตักอาหารเข้าปากไปแต่ใจก็คุยกันไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ถ้าการรับประทานที่มีสติต้องรับประทานแบบพระพระเวลาฉันท่านจะไม่คุยกันท่านจะมีสติอยู่กับการรับประทานอาหารเวลาท่านบิณทบาตท่านก็จะมีสติอยู่กับการบินทบาตคือท่านจะอยู่กับหน้าที่การงานอย่างเดียวไม่ปล่อยให้จิตใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าเราปล่อยไปแล้วเวลาเราทำอะไรมักจะผิดพลาดอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ดูมันอย่างต่อเนื่องนั่นเองดูปป๊บเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็ทำไปขณะเดียวกันก็เลยทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการทำงานอย่างต่อเนื่องรู้อยู่ทุกขณะว่า กำลังทำกำลังทอะไรอยู่อย่างนี้การกระทำก็จะไม่ผิดพลาดนั่นเอง mm. เช่นเดียวกับการดูแลใจของเรา mm. ถ้าเราคอยดูแลความคิดเราอยู่เสมอ mm. เวลาเราคิดอะไรเราต้องรู้แล้วว่าเรากำลังคิดอะไร mm. คิดดีหรือคิดร้ายเราต้องรู้ถ้าเรามีสติ mm. ถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดของเรานั้น ดีหรือร้ายเราก็ต้องศึกษาหาความรู้จากท่านผู้รู้ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนพระอริยสงสาวกท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความฉลาดรู้ในเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วนะถ้าเราหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย เราก็จะได้รับความรู้จากท่านเหล่านั้นความรู้ที่เราได้รับจากท่านนี้เราเรียกว่าปัญญาคือสุตะมะยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือได้รำ่ำได้เรียนนี่เป็นความรู้อย่างหนึ่งความรู้อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการคิดของเราเองคิดไปแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลไป เช่นเห็นการกระทาแบบนี้เห็นว่าเมื่อทำไปแล้วเกิดผลอะไรตามมาเช่นเห็นคนนี้ไปลักขโมยข้าวของเงินทองแล้วก็ถูกตำรวจจับไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็คิดได้ว่าอ๋อการที่จะไปติดคุกติดตารางนี้ต้องไปลักทรัพย์ต้องไปทำไปขโมยข้าวของของผู้อื่นเขาแล้วถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางไป เราคิดแบบนี้เราก็จะรู้ว่าการลักทรัพย์นี้ไม่ดีเมื่อลักไปแล้วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตารางหรือเป็นนักเรียนเวลาไปโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนหนังสือครูอาจารย์ก็มาบอกพ่อแม่ที่บ้านว่าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อพ่อแม่รู้ก็ต้องต้องเอาไม้เหลี้ยงมาตีลูกอย่างนี้ลูกก็จะถติมีความคิดอ่านเป็น ก็จะรู้ว่าการหนีโรงเรียนนี้เป็นการกระทําที่ไม่ดีเมื่อทําไปแล้วก็จะต้องถูกไม้เรียวนี่คือเรื่องของเหตุของผลถ้าเราไม่มีคนที่จะสั่งสอนเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดเป็นคิดตามเหตุคิดตามผลเราก็สามารถเกิดปัญญาขึ้นมาได้เรียกว่าจินตมยปัญญา เป็นปัญญาความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราส่วนความปัญญาอีกอย่างหนึ่งนี้เราเรียกว่าภาวนามยปัญญา <c oughs> เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราทำจิตใจของเราให้สงบ เราจะรู้เลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ตรงไหนเมื่อก่อนนี้ถ้าเรายังไม่เคยนั่งสมาธิเราจะไม่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนเราก็จะเดาไปสุม 4, สี่สุมห้าเห็นใครเขามีอะไรคิดก็คิดว่าเขามีความสุขก็อยากจะมีความสุขเหมือนเขาเช่นเห็นคนเขามีคู่ครองมีสามีมีภรรยาก็คิดว่าเขามีความสุข ก็อยากจะมีตางเขาพอไปมีสามีมีภรรยาเข้าก็ไปเจอความทุกข์อย่างใหญ่หลวงขึ้นตามมาทันทีทุกข์ที่เกิดจากการต้องอยู่กับคนสองคนที่จะต้องทะเลาะเบาะแหวงกันที่จะต้องขัดอกขัดใจกันหรือทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยต่อกันและกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองเราก็ทำตามชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขามีอะไรก็อยากจะมีตามเขาแต่พอมีมาแล้วจึงรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เมื่อมีแล้วมันก็ติดเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ายาเสพติดนี้มีโทษแต่เมื่อติดมาแล้วก็เลิกมันไม่ได้ ก็ต้องทนอยู่กับมันเสพมันไปจนตายไปในที่สุดเพราะถ้าไม่ได้เสกมันมันก็ทรมานนี่คือความโง่เขลาบัณปัญญาเพราะเราไม่ได้บําเพ็ญภาวนานั่นเองถ้าเราบําเพ็ญภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบแล้วเราจะรู้ขึ้นมาว่าอ๋อความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวเรานี้เองอยู่ที่ใจที่มันสงบนี้เอง เมื่อก่อนนี้ใจมันไม่สงบมันเลยสร้างความหิวความอยากขึ้นมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่พอเรามาฝึกทำสมาธิจนจิตใจของเราสงบแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อความสุขนี้มันอยู่ตรงนี้เองเพราะเวลาจิตสงบนี้มันสุขจริงๆมันสุขยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นที่เราเคยได้สัมผัสมา นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาถ้าเราได้เจอความสุขที่เกิดจากความสงบในใจแล้วเราจะสามารถเลิกสิ่งต่างๆละเว้นสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามได้หมดเลยเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรื่องการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูปดปฏดมดเทศโกโหกหลอกลวมเรื่องการเสพยาเสพยามาและอบายามุขต่างๆเราจะสามารถเลิกมันได้เลยเพราะใจของเราไม่หิวกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วใจของเราเหมือนกับคนที่ได้รับประทานอาหารเต็มที่แล้วเมื่อรับประทานอาหารเต็มที่แล้วต่อให้ใครยกอาหารที่วิเศษเลิ่โลกขนาดไหนมาตั้งไว้อยู่ข้างหน้าก็รับประทานไม่ลง เพราะมันเต็มไปหมดในท้องแล้วรับเข้าทานเข้าไปก็จะมีแต่ทำให้ท้องแตกเท่า น, นั้นนี่ก็คือลักษณะของภาวนาไมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการบมเพ็ญจิตตภาวนาเมื่อเราบำเพ็ญแล้วเราพบความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขเลยล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของ ota, เงินทองหรือบุคคลต่างๆล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่ง น, นั้นมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีบ้านก็ต้องทุกข์กับบ้านมีรถก็ต้องทุกข์กับรถมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันทั้งสิ้นสู้ไม่มีอะไรเสียจะดีกว่า อยู่แบบตัวเปล่าๆอย่างนี้แหละดีที่สุดไม่ต้องทุกข์กับอะไรแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ตัดสู้ท่านได้พบได้เข้าใจนั่นเองคือท่านมีปัญญาท่านรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวเองอยู่ในตนอยู่ในตัวของเรา ไม่ได้อยู่ที่อื่นสิ่งอื่นๆทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เกิดจากความหลงหลงไปยินดีหลงไปอยากได้เมื่อหลงอยากจะได้เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแต่พอต้องมาดูแลรักษาก็เกิดความปวดสีรษะตามมาเช่นมีรถก็ต้องซ่อมแซ ต้องซื้อน้ำมันมาเติมเวลาน้ำมันขึ้นราคาก็บ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีใครบอกว่าดีเลยเวลาน้ำมันขึ้นมีบ่นกันไปหมดเวลาบ่นนี่ก็แสดงว่ามีความทุกข์ใจแล้วมีความไม่สบายใจตามมาแล้วแต่คนที่ไม่มีรถเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไร